Thank you.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 สมองหรือร่างกายของเรามากกว่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะถ้าตอนเช้าเนี่ยไอ้ตัวที่เด่นกว่าคืออรเรคซีนหรือว่าสารตื่นนะแต่พอเริ่มมาถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยสองทุ่มเนี่ยไอ้ตัวสารหลับเนี่ยอะดีนโนซีนก็ค่อย ค, ค่อยมีชัยชนะนะเหนือออเรกซินดูกระทั่งไปถึงเจ็ดโมงเช้าวันเมงเช้านี่มันก็ค่อยลดลงแล้วแล้วตัวที่เด่นกว่ามาแทนที่ก็คือออเรกซินยุทธสารตื่นนะทั้งวันเนี่ยหรือว่าทั้งปีทั้งชาติเนี่ยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมันก็สู้กันไปสู้กันมาระหว่าง2ตัวนี้แหละแต่ว่ามันมีช่วงเวลาของมันนะใจเราก็เหมือนกันนะ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 เรามาทำวัดเนี่ยเพื่อทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเพื่อทาให้เกิดมีสติความรู้สึกตัวแต่สังเกตไหมขณะที่ทำวัดปากก็ว่าไปแต่ว่าใจลอยมัรู้อยู่ไหนหลงนะเดินตรงกลมกั น, กนนะเดินเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวแต่เดินไปเดินไปหลงซะละกลายไปว่าการ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 หญิงชายสองคนน่ข้างหลังเนี่ยแถวหลังเนี่ยนั่งพูดคุยกันท่าทางจะจีบกันก็เงาก็งอดผู้ชายคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็รำคาญนะเพราะเสียงมันมารบ ก, กวนสมาธิของเขาก็พยายามส่งสัญญาณด้วยการหันกลับไปมองไปสบตาแต่สองคนนั้นก็ไม่สนใจก็ยังพูดคุยกัน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 คนดูนี้เนี่ยนะเราเผลอตัวง่ายเราลืมตัวง่ายโดยเฉพาะเมื่อเราตั้งใจจะไปต่อว่าด่าทอคนอื่นหรือว่าอยากจะสั่งสอนนะโดยเฉพาะเวลาใครทาไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีความคิดนะไม่พอใจมีความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็อยากจะไปสั่งสอนแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยกลับทำสิ่งที่ย่าแย่กว่า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 โดยเพราะเวลามีคนทำไม่ดีเวลามีคนทำไม่ถูกเนี่ยจิตมันจะพุ่งไปเลยมันมีความปรารถนาดีนะอาจจะปรารถนาดีต่อส่วนรวมหรือปรารถนาดีต่อคนคนนั้นนะเห็นเขาทำไม่ดีก็อยากให้เขาทำดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าทันทีที่จิตเราพุ่งออกไปที่คนคนนั้นเนี่ย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 พูดเสียงดังกว่านี้สมศรีสมศรีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอเลยแนะนำให้คุณเนี่ยเดินไปนอกห้องไปหน้าประตูแล้วตะโกนเรียกสิเราก็ทาตามนะสมศรีสมศรีก็เงียบอีกตอนนี้ภรรยาเห็นหรือยังเห็นแล้วนะเคยอยู่ในอยู่ในห้องครัวกำลังหันหลังยืนหันหลังอยู่สงสัยจะกำลังหันผักเนี่ย อาเรียกดังๆใชก็เรียกอยีกสมรีสมรีก็ยังเงียบหมอเลยแนะนำมาให้เดินไปที่หน้าหน้ า, ห น, าหน้าครัวแล้วก็เรียกเ้าก็เรียกสมรีสมรีภรรยาก็ยังก็ยังนิ่งนะไม่มได้ม่ได้เสียงเลยหมอเลยแ น, นะนำมาให้ไปที่ข้างหลังภรรยาแล้วก็จับตัวนะแตะแตะแตะ แ, แขนนะแล้วก็เรียกสมรีสมรี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 ตัลงใครหูตึงกันแน่นะนะสามีหรือภรรยาสามีหูตึงนะภรรยาก็ขาลรับแล้วแต่ไม่ได้ยิงก็ไปคิดว่าภรรยาเนี่ยหูตึงนี่พ่อะไรนะพ่อชอบไปมองคนอื่นลืมมองตัวเองถ้าคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะไปมองคนอื่นเป็นปัญหาแต่ที่จริงตัวเองเป็นปัญหาหรือไม่ฉะนั้นการกระทําของตัวเองนี่แหละเพราะความหลงนี่แหละ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 อ่ะชายนี่ก็ป็นกรณีนะกรับคระ